ขพความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายประสูตร์ที่ชื่อว่าทานานชานีสูตรในข้อนี้มีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระพุทมีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเบรุวันกัลลันธกะนิวาปสถานในกรุงราชรสครขภาษาริบุเทระ ได้เที่ยวจาริกไปในทักคินาชนบทปรได้พบกับภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งออกจากกรุงราชเครือท่านก็สอบถามถึงความอยู่เป็นสุขของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์เป็นต้นเมื่อได้รับทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงประสานบีพระสงฆ์เองก็อยู่กันเป็นปกติสุขดีก็สอบถามถึงอุบาสกท่านหนึ่ง ชื่อว่าธนัญชานีพรามซึ่งคุ้นเคยกันว่าธนัญชานีพรามเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันยังคงปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ประมาท จ, จูหรือหรือเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายก็เรียนให้ท่านทราบว่าบัดนี้ท่านธนัญชานีพรามเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อก่อนก็เป็นอุบาสกที่เคร่งครัด ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตเสมอมาต่อมาพัญญาเก่าซึ่งเป็นกุลสตรีมีศรัทธามีศีลได้ตายไปท่านก็ได้พัญญาใหม่ซึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศีลก็ลากลู่มทุกขังกันไปก็เรียกว่าหลอกลวงราษฎรหลอกลวงพระราชา ท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไปยักยอกทรัพย์สินของราษฎรมาอ้างพระราชายักยอกของพระราชาอ้างราษฎรแล้วของมันก็ตกที่ท่านภาษาดิบุตรเมื่อได้ยินข้าวท่านก็บอกว่าจะต้องหาโอกาสช่วยเหลือท่านทานัญชานีต่อมาเมื่อท่านกลับมาจากทักขินาบุตร ก็ไปแวะที่บ้านทานัญชานีทนัญชาติก็นิมนต์ให้ฉันอาหารท่านบอกว่าฉันแล้วแต่ท่านจะไปพักอยู่ข้างนอกเมื่อท่านเสร็จธุระแล้วก็ให้ไปพบกันหน่อยทนัญชานีก็ไปพบพรเทพรัก็ถามว่าเป็นไงปัจจุบันนี้ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตเหมือนเดิมหรือเปล่ามัานบอกว่า จะให้ก็ผมทำยังไงพระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ผมมีภาระมากจะต้องแสวงหาเงินทองมาเพื่อเลี้ยงดูบุคคลเป็นอันมากคือท่านยกตัวอย่างมาคนเป็นอันมากไือเกนเินสรุปว่าตั้งแต่บุตรปัญญาพ่อแม่ข้าทาสบริวารญาติสนิทมิสหายบริวารไรชนจนถึงพระราชาเป็นต้น แล้วก็อ้างมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนเป็นรายละเอียดแต่สรุปว่าอ้างคนอื่นยยเยอะแยะไปหมดอาจารย์พระสารีบุตรท่านก็ตั้งคำถามให้คิดเคยคิดเราเองว่าการที่บุคคลประทำทุจริตต่างๆโดยอ้างว่าเพื่อคนนั้นคนนี้คนโน้นจะเพื่อใครก็ตามเวลาคนนั้นตายไป แล้วไปตกนรกเราสามารถอ้างเหตุผลในการทําทุจริตแต่ที่จริงนั้นพระเจ้าไม่ต้องการทําทุจริตหรอกแต่ว่าจําเป็นจะต้องทําทุจริตเพื่อคนเหล่านั้นเหล่านั้นมีบรรดาบิดาเป็นต้นในาใยนยาบาลก็จะยอมไหมจะยอมยกโทษให้หรือไม่ต้องตกนรกต้องทนทุกข์ทรมานในนรกไหมทนา น, นชานีบอกเอ้ยไม่ได้จะอย่างนั้นจะไปอ้างได้ยังไง แล้วบอเอาแหละไอเรานั่นไปขอร้องเขาเขาไม่ยอมแล้วคนที่เราอ้างว่าเราทำทุจริตเพื่อเขาคือมีมารดาบิดาบุตรพันยาญาติสนิทมิสหายตลอดถึงพระราชาเป็นต้นแล้วก็เทวดานี่อะไรเนี่ยจะไปบอกนายนิรยบาลบอกว่าอย่าลงโทษคนเหล่านี้เลยเพราะว่าที่เขาทำทุจริตนั้นทำเพราะเข้าไปเจ้า ที่จริงเขาไม่ได้ใจคอหหดร้ายอย่างนั้นหรอกขอได้อยากลงโทษเขาเลยจะเป็นไปได้ไหมก็จะยกโทษให้ไหมาทานอนชานีบอกว่าเขาก็ไม่ยกโทษให้เรอกนี้ก็สอนให้คิดในจุดเนี่ยแล้วก็ให้ท่านทานอนชานีตั้งสติหยุดคิดว่า คนเราที่ครองเรือนแม้จะมีภาระเลี้ยงดูคนเป็นอันมากเกี่ยวข้องกับคนเป็นอันมากอยู่เนี่ยคนสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวญาติพี่น้องบริวารชนมารดาบิดาเป็นต้นให้อยู่ดีมีสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นนี่ได้ไหมท่านบอกว่าได้ทาได้มีคนก็ทําได้โดยมาตั้งปัญหาหคิดในตอนต่อไปว่าขอให้ท่านคิดดู ระหว่างคนที่เลี้ยงชีวิตในทางสุจริตเป็นธรรมกับคนที่เลี้ยงชีวิตในทางทุจริตและไม่เป็นธรรมนั้นฝ่ายไหนจะดีกว่าจึงก็เป็นปัญหาที่มือชั้นของทนอนชานีท่านตอบง่ายท่านตอบได้ง่ายท่านบอกว่าคนที่เลี้ยงชีวิตในทางสุจริตได้เป็นธรรมก็ดีกว่าเรอเสนอให้ท่านเลือกเอาเมื่อท่านรู้ว่าดีกว่า ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนในที่สุดพระเทรัก็สรุปว่าคนเรานั้นสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตโดยทำรรโดยสุจริตแล้วก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูบุคคลทั้งหลา ย, ยได้เป็นอย่างดีเราขอให้ทันทนัญชานีประพฤติธรรมประพฤติสุจริตคือในสมัยก่อนในท่านมักจะใช้คำํำสองคธรรมจริยาสมารจริยา เอกว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสุจริตท่านอนชานีก็ได้ความคิดพระราษาอีบุปต์ท่านไม่สอนท่านสอนให้คิดเอาใได้ความคิดแล้วก็กลับความประพฤติได้นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาในตอนแรกต่อมาท่า น, านท่านทา น, นชานีป่วยหนักก็ให้ คนไปนิมนต์พระสารีบุตรเทระมาให้บอกว่าท่านป่วยหนักแล้วกันทุกขเวทนาเสียดแทงมากขอให้พระเทระได้มาพบท่านหน่อยพระเทระก็มามาถึงก็สอบถามถึงทุกขเวทนาต่งตางๆว่าเป็นไงพอจะทนได้ไหมพอจะรักษาชีวิตอยู่ได้ไหมสามารถที่จะบรรเทาความเสียดแทงของโรคภัยที่กำลังเสียดแทงอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้ว มันทุกข์ทรมานเหลือเกินก็คงจะรักษาอัตภาพร่างกายไว้ไม่ได้พระสารีบุตรท่านก็ตั้งแนวให้คิดอิแท่าบอกว่าลองคิดดูสิระหว่างการตกนรกกับการเป็นสัตว์ดิเรกชนันนี่อะไรดีกว่าท่านอัญชันีบอกว่าเป็นสัตว์ดิเรกชันดีกว่าระหว่างเป็นสัตว์ดิเรกชันกับเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรดีกว่าท่านบอกเป็นอสุรกายดีกว่า ระวังอสุรกายกับเปรตอะไรดีกว่าก็เป็นเปรตดีกว่าระว่างเปรตกับมนุษย์อะไรดีกว่าท่านก็บอกเป็นมนุษย์ดีกว่าระว่างมนุษย์กับเทวดาชั้นจ่าตุมาราชอะไรดีกว่าท่บอกก็จ่าตุมาราชดีกว่าระวังจ่าตุมาราศกับดาวดึงอะไรดีกว่าท่านก็บอกว่าเป็นเทวดาดาวดึงดีกว่าระหว่างดาวดึงกับชั้นยามอะไรดีกว่าท่านบอกกับชั้นยามดีกว่าระว่างชั้นยามกับชั้นดุสิต อะไรดีกว่าทั้งสวัสชั้นดุสิตดีกว่าระวังดุสิตกนิมารดีอะไรดีกว่าท่านก็บอกว่าสวรรค์ชั้นนิมารดีดีกว่าระวังนิมารดีกับปรินิมิตวัตสวัสดีอะไรดีกว่าท่านก็บอกว่าสวรรค์ชั้นปรินิมิตวัสวัสดีนั้นดีกว่านี่ก็เอาเรียวกามมาไว้จรทั้งสิอภูมาเทียบกันซึ่งท่านอาจานีท่านก็เข้าใจตลอด แล้วก็ท่านเลือกเอาที่ดีกว่าภาษาดิบุตรก็ถามว่าสวรรค์ชั้นกามาวิ จ, จรทั้งหมดกับพรหมโลกเนี่ยอะไรดีกว่าท่านบอกกับพรหมโลกดีกว่าแล้วถามว่าท่านชอบอะไรมันชอบพรหมโลกภาษาดิบุตรท่านก็ดูปนิสัยแล้ในขณะที่ทุกเวทนากำลังเสียแทงอย่างรุนแรงอย่างนั้นอีกประการ น, นึง อีกประการหนึ่งท่านมีพื้นมากพอที่จะทําใจให้สงบคือพองแผ้วในขณะนั้นได้ประการหนึ่งท่านก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าชอบพรหมโลกต้องการอุบัติในพรหมโลกก็ต้องศึกษาสำเนียกุนทางที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติไปบังเกิดในพรหมโลกตนัญชาณีก็ตั้งใจฟังปารเทราก็สอนให้ แต่เมตตากรุณามุติตาเวขาก็คือพรหมวิหารทั้งสประการสร้างความรู้สึกแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในทิศทั้งปวงแล้วก็ให้ทําใจให้อยู่ที่พรหมวิหารทั้งสี่ประการ น, นี้ตลอดตาลัญชานีก็ฟังแล้วปฏิบัติตามปริระดูเห็นว่าใจท่านอยู่ที่พรหมวิหารแน่นแล้วท่าก็กลับ ภายในวัดพระเวฬุวันนั้นพระพุทธเจ้ากําลังสดแสดงธรรมะแก่พระสงฆ์อยู่ก็รับสั่งเล่าเรื่องที่ภาษาริบุตรกำลังทํำอยู่ที่บ้านท่านธนัญชาญีปราหมณ์ในขณะที่ภาษาดิบุตรออกมาก็ยังไม่ยังไม่ถึงวัดท่านธ น, นัญชาญีปราหมณ์ท่านก็ตายแต่พระพุทธเจ้ากําลังเทศอยู่ที่วัดพระเวฬุวนันก็รับสั่งเล่าเสร็จแล้วก็บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า สารีบุตรได้บอกขนทางเพื่อจะไปสู่พรหมโลกแก่ทนานชานีพรามทนานชาณีพรามก็ได้ปฏิบัติตามเบลนีตายไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วพระเจ้ารับสั่งไปไม่นานพระสารีบุตรก็ไปถึงวัดก็เข้าไปกราบทูลรายงานพระเจ้าก็รับสั่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ก็ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกลนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในทนานชานีสุด มีประเด็นที่น่าศึกษาถึงลักษณะทางสังคมของพระอาหารหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลท่านจะเห็นว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าโลกุจรจิตคือจิตท่านเป็นโลกุตระ จ, จริงแต่ว่าในชั้นของการใช้นั้นท่านชายกามาวาจริจิตคือจิตแบบชาวบ้านธรรมดาๆ ม, มีการถามข่าวคราวสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันพอเห็นใครก็ ชาชีวิตก็แบบคนธรรมดานี่ยเองภาษาดีบุตรนั้นเมื่อภิกษุไปจากพระเวรุวันก็ถามข่าวพระพุทธเจ้าปกติจะถามข่าวถึงเรื่องสุขภาพพระพลานามัยนะฮะก็ไม่ได้เรื่องจิตใจอะไรแตถามถึงพระพลานามัยของพระพุทธเจ้าก็ยังแข็งแรงดีแล้วก็ถามถึงความเป็นอยู่ภาสุก ข, ของภิกษุทั้งหลายนี่ก็คือคือรูปในการดํารงชีวิตว่า ในชั้นทั่วไปท่านก็ดำรงชีพแบบสามัญชนทักินาคิรีชนบทเป็นดินแดนที่อยู่ตอนใต้ของกลุ่มราชเครืก็มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอย่างมากเป็นพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องจีวรของพระเนี่ยพระอนเทระท่านเอาแบบชะอคันนาคืนนาของชาวมคตที่ทักินาคิรีน คือท่านไปดูนาตรงนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงตรงนั้นก็รับสั่งว่าอนนลลองลองออกแบบจีวรใหม่ที <c oughs> จะออกได้นะอหมอนนลท่านก็เอาไอขนนา้ขันนาขันสามคตเนี่ยเป็นแบบออกจีวรเออซึ่ ง, ซ, งซึ่งท่านตั้งายเห็นว่าลักษณะของจีวรก็มีแปลกอยู่ในข้อที่ว่ามันมีเล็กมีใหญ่เรียกว่าขันเล็กขันใหญ่ไอ้ขันเล็กนั้นก็คือที่เขาทากล้า คือก็หวานกล้าตั้งพันกล้าตรงนั้นไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพอกล้าโตเขาก็จะถอนไปดำอีกช่วงบ้างแต่แม้ในแนวการตำนาปัจจุบันก็ยังทำอยู่แนวนั้นที่กรุงราชฤาษเองก็ยังทำอยู่แนวนั้นทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องของทนัญชานีทนัญชานีพราหมณ์นั้นเป็นพราหมณ์ที่ถือว่าสูงสุดในบรรดาพวกพราหมณ์ทั้งหลายคือพราหมณในีเขาถือเรื่องโคตรเป็นประการสําคัญ กษัตริย์นั้นอินเดียก็ถือว่าสุริยโคตเป็นโคดที่สูงสุดก็คือโคตของพระพุทธเจ้าพราหมณ์นั้นทนาญชานีโคตเป็นโคตที่สูงสุดโดยตำนานของพราหมณ์บอกว่าเวลาพวกวันณะทั้งสี่มาเกิดเนี่ยพวกพราหมณ์นั้นเกิดจากโอทของพระพรหมแต่ว่าทนาญชานีโคตนี้เกิดจากกระหม่อมของพระพรหมเพราะฉะนั้นทนาญชานีโคตจึง สูงกว่าโคดอื่นๆแต่คนเราถึงแม้ว่าจะเกิดมาในสกุลสูงมีทรัพย์สมบัติมีฐานะทางสังคมก็ตามแล้วท่านมีอะไรพร้อมมากมายไก่กองท่านท่านัญชานีเนี่ยก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมาตลอดเป็นอุบาสกที่เคร่งครัดขนาดว่าปร า, ารหันอักษาวกถามข่าวคราวสุขทุกข์ทีททเนีย แต่ว่าจาบใดที่คนเรายัางอยู่ภายใต้อำนาจของจิตคือยังประพฤติยังกระทาไปตามอำนาจจิตกัญยาณอภิษฎมิตรนั้นเป็นตัวสำคัญมากคือเป็นตัวหักเหทิฏทางของคนให้บวกหรือลบได้ตลอดแล้ดท่านลองสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในชีวิตของธนัญชาติพรามก็คือเมียเก่าตายได้เมียใหม่ เสียเรียนไตอนนี้เองตอนีญเกาวนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมะก็พร้อมเพรียงกับสามีสามีก็มีศีลมีธรรมะเป็นการอยู่ร่วมกันของเทพปะบุตกรกับเทพทิดาบ้านก็เป็นสวรรค์วิมานันแต่พญญาก่าเกิดตายไปท่านก็ไปได้พญญาใหม่พญญาใหม่นั้นไปไปแยกทางเดินกัน นี่ปัญหาว่าแรงดึงระหว่างกุศลกับอกุศลที่มันอยู่ในใจคนท่านจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้เป็นสนามที่ใหญ่มากมเหมือการต่อสู้ภายในใจเราซึ่งเป็นสนามสนามเฉพาะในใจเราแต่ว่าเมื่อไปอยู่ที่คนมันก็แสดงออกมาในรูปที่จะดึงอีกฝ่ายหนึ่งปัญหาว่าใครบัานคมกว่าใครแข็งแรงกว่าก็กดดึงปรากฏว่าทานานชานีเปไป ถูกพัญญาดึงออกไปนอกทางในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับแรงดึงของใครสูงกว่านะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในบางครั้งบางคราวอย่างยกตัวอย่างนางอุตตราอุบาสิกาหรือว่านางวิสาขาอหมาอุบาสิกาท่านทั้งสองนี้เป็นแต่ว่าท่านทั้งสองนี้มาอยู่ในอำนาจจิตแต่มันก็ผิดไปหน่อยือยว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแรงดึงท่านยึงสูงมาก สามีของทั้งสองท่านนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยแล้วก็เมียดึงกลับมาเป็นสรรมารทิฏฐิหมดทั้งคู่เหมือนกันนี้แสดงว่าแรงดึงก็สูงกว่าตนันชาณีเองอยังตัวตัวเองยังตั้งหลักไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแกเป็นปุถุชนยังตกอยู่ภายใต้อํานาจของจิตแล้วขึ้นอยู่กับทิ้งที่ท่านเข้าไปครุกครีบุคคลที่ท่านเข้าไปครุกครีสมัยก่อนพระสารีบุตรท่านไปเยี่ยมเย็ยนอยู่เสมอ ไปสนทนาไปให้แนวความคิดอยู่เสมอท่านก็ได้กัญยาณมิตรด้วยแล้วก็พัญญาก็ดีด้วยก็ได้แรงสนับสนุนสองฝ่ายท่านก็ไปของท่า น, ไ, านได้ตลอดพอมาถึงแรงดึงทั้งสองแรงมันออกก็ท่านก็โดดเดียวแล้วก็ไปเจอแรงดึงใหม่ดึงไปดึงอีกทางหนึ่งท่านก็ไปแล้วไปเอามากแล้วก็พูดจะแสดงว่าข่มคลายว่าสมควรนะ คือคนเราพอเวลาทำผิดนั้นมันมีลักษณะอย่างหนึ่งของกิเลสนะครไม่ว่าจะออกมาในรูปของโลคของโกรธของหลงก็ตามจะพยายามมองในมุมที่ไกลตัวออกไปะนะครันนันชนีเองนั้นที่จริงท่านตั้งจิตไว้ผิดเองท่านทำผิดกับท่านเองแต่ว่าเวลาท่านอ้างท่านไม่อ้างความผิดของท่านถ้าหน้ามายมจําเป็นที่จะต้องทํา เพราะว่ามีภาระจะต้องเลี้ยงดูบุตรภันยาเลี้ยงดูมารดาบิดาข่ธาถาดบริวัรอามาตย่ามิตรตะอ้างคนไปทุกคนนะฮะแต่เวลาภาษาทีบุตรท่านซักเนี่ยท่านนั่นอ้างซักไปทีละคนทีละคนมันก็ยาวไปมากใจความประแต่สรุปว่าอ้างคนอย่างเงี้ยสารพัดตกลงว่าที่จริงถ้าไม่เพราะคนเหล่านี้แล้วผมไม่ทําผิดพูดง่ายง่ายแต่ที่จําเป็นต้องทําผิดกับเพราะคนเหล่าเนี้ยนี่คือลักษณะของคนที่กระทำผิด คือจะไม่พยายามรับผิดชอบในผลด้วยในการกระทำของตัวเองแต่เมื่อไปจำนวนด้วยหลักฐานเหตุผลเข้าก็ต้องอ้างต้องโยนไปที่คนอื่นจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดซึ่งบางทีอย่างวันก่อนอะไรที่หนังสือพิมพ์ลงแมมเห็นนามสกุลล้วตกใจไม่น่าเป็นอย่างนี้นไปอ้างเล่นการผนันแพ้การผนันก็อ้างได้อ้างได้ทั้งนั้นนะครับ คือถ้าจะอ้างกันแต่ปัญหาว่าไอคำอ้างของเรานั้นฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นภาษาริบุตรนั้นท่านพูดในแง่ของสังสารวัตแต่เราจะมองว่าไอหลักที่ระษาดิบุตรออกมาถามถ้าเราดึงให้มันสั้นเข้าคือในช่วงของอาญาแผ่นดินการกระทาทุจริตสมัยทั้งหมดสรุปแล้วก็คืออรรับชั่นชลอรัดบังหลวงมันสามารถอ้างได้ไหม อ้างต่อกฎหมายได้ไหมว่าเพราะต้องขอรับชันเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะคนนั้นคนนั้นคนนั้นเนี่ยมันก็อ้างไม่ได้แม้แต่ขนาดว่าไปอ้างว่าต้องเก็บลูกขนุนริมคลองหลอดเพื่อไปให้ลูกกินมันก็อ้างไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงซึ่งท่านจะเห็นว่าการอ้างเพื่อกระทำความผิดเนี่ยพูดนั้นได้แต่ว่าปฏิเสธผลไม่ได้ พูดก็พูดไปได้แต่ผลเมื่อถึงถึงคราวแกจะเกิดแก่ต้องเกิดไม่ว่าในแง่ของกฎหมายหรือในแง่ของสังสารวัตรภาษาดีบุตรท่านพูดในช่วงสังสารวัตรเพราะท่านรู้ถึงคื้นฐานจริงๆของความเข้าใจที่ท่านตนันชานีพราหมณ์ท่า น, านาทันทบซึ้องอยู่เออหลักเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าท่านอ้างมาสองหลักหลักแรกก็คือว่าเราจะไปอ้าง ในนรกว่าเราที่ต้องทำความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นงั้ น, งงนก็เพราะคนเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยถามาอ้างได้หรือป้ท่านนั้นท่านนี้ท่านก็รู้นะฮะโดยเหตุผลว่าอ้างไม่ได้ท่านก็ตอบไปตรงๆเอาละสมมติว่าคนที่เราต้องทำผิดเพื่อเขาไปยืนยันเป็นพยานบอกว่าอยาได้ลงโทษเขาเลยเพราะเขาทาผิดเพราะพวกเราก็อ้างไม่ได้ นี่ที่นี้เราขโวดให้มันสั้นเข้าคือในเนี่ยในปัจจุบันในปัจจุบันในแง่ของอาณาบ้านเมืองอาณาแผ่นดินแต่ในแง่ของกรรมติฉินนินทาจากวิญยูชนทั้งหลายวิญยูชนก็ตำหนิเนี่ยมันก็ไม่มีข้ออ้างสมหรับการกระทำผิดเหล่านั้นท่านดานันชา น, นีถ้าเรามองในแง่ของพื้นจริงๆจะสังเกตว่ามีภูมิปัญญาสูง ก็เป็นคนเคารพเพจเคารพผลทีเดียวแต่ตอนท่านเปท่านก็เป๋ไปพอสมควรมันก็แกว้งไปแกลงมาในมลักษณะชทตาหัวเตา่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันเพะยังอยู่ในตกอยู่ภายใต้อํานาจจิตอย่างที่ว่าคนที่ยังแกลงในกด้วยอํานาจจิตเหล่านี้ที่มีปัญหาในเรื่องอาสนกรรมที่พูดมาในมหารกรรมยพังกระสุดเมื่อจิตมันแกลงไปแกล้งมาแกล้งมาแกลงไปอีตอนจะตายไม่รู้มันจะแกว้งไปตรงไหน แต่เกิดแบ่งไปดึงเอาทุจริตข้าวมันก็ไปไ ป, ไปทุกติไปเลยหรือถ้าเบี่ยงไปนงในทางสุจริตมันก็ดีไปดังนั้นจึงทรงแสดงสั่งสอนไม่ให้คนเรากระทำอะไรไปตามอำนาจของจิตแต่ให้ทำอะไรไปตามอำนาจของเหตุผลเรียกว่าการณ์วสิโกคืออยู่ในอำนาจแห่งเหตุแห่ง จะวิเคราะห์จะตัดสินอะไรกันก็หาข้อยุติกันด้วยเหตุด้วยผลแสดงว่าท่านธนัญชานีท่านก็มีทั้งสองชั้นนะฮะชั้นที่ท่านแว่งท่านก็แว่งแต่ว่าชั้นที่ใช้เหตุผลได้ท่านก็ใช้ได้นั่นก็คิดได้ภาษารี่บุตรไม่ได้สอนนะฮะให้ลองสังเกตว่าวิธีนี้ไม่ได้ไม่ต้องสอนแล้ววัตถุดิบในการคิดนั้นเขามีมากพอที่เขาจะคิดแต่ว่าท่านไม่คิดเองคราวนั้นท่ไม่ยอมเอามาใช้เองเมื่อท่านหยุดคิดท่านก็คิดได้ ก็แสดงว่าท่านอันชนีก็มาถึงทางเลือกที่ท่านต้องเลือกแล้วท่านก็เลือกออกแล้วท่านตัดสินได้แนละ้วประสาทิบุตรเลยก็ตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ให้ท่านคิดอีกทีหนะึ่งว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่เป็นอันมากมีอยู่เป็นอันมากที่ไม่เคยกระทำทุจริตเลย ในการแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่ก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้กล้ๆกับไอการอ้างของคนในปัจจุบันที่ว่าถ้าไม่รวยอถ้าถ้าต้องการให้รวยถ้าไม่โกงไม่รวยถ้าอยากรวยต้องโกงซึ่งก็เป็นคำพูดในแนวนั้นในแนวที่ธนัญชานิท่านเคยอ้างเป็นความจำเป็นซึ่งในมุมกันจริงๆแล้วคนไม่มากหรอกที่โกง แต่คนโกงถึง50เปอร์เซ็นต์โลกอยู่ไม่ได้แต่ว่าคนเป็นนั้นมากที่ทำมาหากินโดยทางสุจริตแต่เขาก็เลี้ยงดูบุตรพันยาสามีค่าทาสบริวารตั้งตัวเป็นหลักฐานมีความเจริญก้าวหน้าได้ไมหมมีปัญหาอะไรตานันจานีท่านก็มองเห็นภาพเหล่านี้คือภาพแตกต่างกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่ตั้งตัวขึ้นมาได้โดยการชอราดบางหลวงลวงประชาชนเนี่ยกับซื่อสัตย์สุจริต ในการดำรงชีวิตของตัวเองมันก็มีภาพบุคคลทั้งสองภาพท่านก็เห็นว่าคนพวกนี้เขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าได้เหมือนกันเพราะงั้นท่านก็ตอบได้เมืในภาษาที่บุตรถามเขาถามในตอนต่อไปจึงเสริมว่าระหว่างบุคคลสองคนนี้ใครดีกว่าการดำเนินชีวิตสามารถที่จะนวดความสุขอยู่ดีมีสุขในชีวิตการครองเรือนด้วยกัน แต่ว่าค่าของชีวิตนั้นควรจะดีแล้วก็นึกเทียบดูว่าระหว่างคนที่เลี้ยงดูตนเองครอบครัวบริจัทบริวารด้วยสิ่งที่ได้มาในทางทุจริตกับในทางที่สุจริตซึ่งก็แน่นอนและมั น, มนเป็นผลของกิริยาคือเลี้ยงดูได้ด้วยกันข้าวฟินมาก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานมีบ้านมีช่องได้ต่มาหากินมาก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานมีบ้านมีช่องได้ แต่ปัญหาว่าระหว่างชีวิตสองแบบนี้แบบไหนดีกว่าท่านทนานนั่นานีท่านก็ดวกเพราะอย่างเงี้ดีกว่าซึ่งการมองอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าพูดกันในห้องนี้หรือในหมู่คนที่สนใจาศาสนาก็ตอบแนวเดียวได้กับท่านนั่นา น, านีแต่ถ้าเราไปพูดในอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกพวกหนึ่งไอพวกมือปืนรับจ้างพวกค้าวฟินเทือนแก่ไม่ตอบอย่างนี้หรอก อย่าคิดว่าตอบอย่างนี้ตอบง่ายนะมันตอบตามพื้นอัธยาศัยของเราเท่านั้นเองตามพื้นบา ร, รมีตามพื้นธรรมะที่เรามีอยู่ภายในใจจึงทำให้เราตอบได้แต่ถ้าพื้นจริงๆเราไม่มีเราตอบไม่ได้หรอกเราก็เห็นว่าการกระทำบางอย่างที่รวยปรุดปราดเนี่ยนะฮะเป็นตำรวจท้าวฟินสักแปดสิบกิโลอย่างเงี้ยเนี่ยก็รวยเร็วอะไรเนี่ยนี่เราจะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นของใจ ที่ได้เก็บสะสมมารุมมาแล้วก็มองมองปัญหาเหล่านั้นว่าะชัดเจนขนาดไหนท่าดนดานัญชานีท่านก็มองชัดปัญหาในเรื่องของคนเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันถึงจุดนี้ฮะจุดที่จะเลือกที่มีปัญหามากคือว่าไอ้ทางนั้นพอจะรู้นะแต่เวลาเลือกมันก็เลือกไม่ค่อยได้หรือไม่ยอมเลือกโดยบางทีก็อ้างเหตุปัจจัยภายนอก บางทีก็เป็นเรื่องของความสมัครใจความพอใจของตัวเองที่ต้องการทางสายนั้นเองแต่พอว่าเกิดผลเข้าเป็นความเดือดร้อนเข้าก็ไปโยนให้บุคคลอื่นเข้าให้คนอื่นเ็ารับผิดชอบไปตรงนี้พระสารีบุตรท่านให้เลือกที่กว่าคือดีกว่าว่าอะไรมันดีกว่าท่านธนัญชานีท่านก็เลือกได้แต่ท่านเลือกได้สาเร็จด้วยคือเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมได้ เรื่องความผิดพลาดบกพร่องต่างๆที่ท่านเคยทํามาก่อนนั้นก็คือเคยทํามาก่อนก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่พอได้แนวความคิดได้สติจากคําเกระตุ้นเตือนของพระเถระท่านก็กลับกลับทางความคิดได้จุดนี้จึงถือว่าเป็นจุดที่สําคัญทางเลือกของชีวิตเราก็ต้องเลือกกันมาตลอดอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ต้องเลือก ระวังเป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิกับพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องเลือกเอาสักอย่างเอาอะไรที่มันดีกว่าแล้วท่านก็เลือกเอาพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าในบางกรณีนั้นหมายความว่าสิ่งสองอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งหนึ่งเลวสมบูรณ์แบบหรือสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งดีสมบูรณ์แบบแต่เราเอาปมเด่นของแต่และฝ่ายมาเปรียบเทียบกันอะไรเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลือกเอาสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เราไม่เลือกก็ไม่ใช่ว่า ไม่ดีแต่เอามาเทียบกันสองอย่างอย่างนี้ก็ดีกว่าการการกับรักษาศีลข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่รักษานะครัรักษาศีลสองข้อก็ดีกว่าข้อเดียวสามข้อก็ดีกว่าสองข้อมันก็เทียบกันอย่างเงี้ยเทียบกันมาได้เรื่อยๆเอาที่ดีกว่ากันแล้วถ้าดัญชานีท่านก็เลือกได้แต่ใจความในพระสูตรนั้นถ้านํามาต่อกันถึงถ้าเราลองดูสังเกตเรื่องราวแล้วก็ไม่น่าจะ จะป่วยในทันทีทันใดหรอกแต่ต่อมาท่านก็ป่วยในการนึกคราวแรกของท่านพอประสบกับทุกขเวทนาเนี่ยจะคิดถึงพระสารีบุตรองค์แรกเลยในเรื่องเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ทั่ ว, วไปนะฮะหรือตามปกติคน ท, ทั่วไปไม่ใช่บุคคนอย่างท่านทั้งหล คืถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆไม่มีความเดือดร้อนจริงๆนะไม่ค่อยเข้าวัดนะก็เวลาเดือดร้อนเวลาจนแต้มก็จริงๆเข้าวัดฮะแม้แต่โจรแม้แต่อะไ ร, ร, ะรต่อะไรก็เข้าวัดบางทีกบฏรัตบราหันก็เข้าวัดหรือมันก็จําเป็นเข้าอะมันเข้าวัดในคำพีอัตถกาถาทำบทพระอัตกถาอาจารย์ท่านยังเขียนแขวะเอาไว้ในเรื่องอัญญตระบุรุษ คนหนึ่งถูกพระเจ้าปัะเสริฐในกศลวางแผนแย่งพัญญาใช้งานแต่หลายเรื่องพอตอนสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นว่าท่านจะแยกเรียกว่าเกาะพระวุทธเจ้าแล้วขอบารมีคุ้มครองพอัตถกถาอาจารย์ท่านก็นอกไปฮะคือหมายความมาท่านารอธิบายว่าเป็นธรรมดาของคนทั้งหลายยามที่ตนสุขสบายเพลิดเพลิอนอยู่ก็ย่อกไม่คิดไม่มีความรู้สึกวัดนั้นมีอยู่แต่พอเวลาความทุกข์ดัดเดือดร้อนถูกไฟคุกคามข้าวคนเหล่านั้นก็นึกถึงวัด นึกถึงสาสนาขึ้นบางทีก็ไม่ได้เคยทำอะไรแล้วพออันตรายกันขอให้พระช่วยนี่ก็เป็นเรื่องเป็นสัญชาตญาณซึ่งมีอยู่ภายในใจของคนท่านอาานีท่านคิดถึงพระสารีบุตรในขณะนั้นก็ถูกมนณภัยคุกคามก็จำเป็นจะต้องหาความอบอุ่นเป็นหลักยึดเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็ มาแล้วก็สอบถามอย่างธรรมดาถามมันนะฮะท่านตั้งหลายจะเห็นว่าก็สอบถามโดยโดยไม่ไปกลัวว่าไอ้คนป่วยจะเสียขวัญอะไรเป็นไงจะรักษาชีวิตร่างกายไว้ได้บอกองค์จะทนไม่ได้คือให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าความจริงไม่ใช่เพื่อนจะตายไม่กี่นาทีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าตาแจ่มใสขึ้นแล้วลอะไรไม่ต้องไปบอกให้มันดีใจอะไรคือไอ้มันเรือพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าปัญหากันเลยพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญปัญหากันเลย ว่าจะพอทนได้ไหมจะรักษาชีวิตไว้ได้ไ้ยท่านก็บอกไม่ได้ทีนี้เมื่อไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไงถึงจะช่วยกันที่พิธีช่วยตอนนี้ไม่ต้องพูดเรื่องโรคภัยแล้วมันไม่ไหวแล้วรักษาไว้ไม่ได้ไม่ต้องเอาแล้วเรื่องร่างกายไม่ต้องพูดพูดกันที่จิตใจนี่ก็ไปเชื่อมโยงข้าบาในกฎของกรรมอย่างที่เคยพูดนะครับจะทำอย่างไงให้อาสานกรรมของท่านเนี่ย พรชีวิตของท่านสับสนอยู่นะฮะชีวิตของท่านทานันชานีนี่ท่านสับสนอยู่คือเรียกว่าต้นก็ดีนะตรงกลางคดแล้วก็ปลายดีอีกก่อนตายในทุ ก, กเวทนาเสียแทงอย่างนี้ไม่รู้จะเหนี่ยวอะไรมาแน่ไม่รู้จะเหนี่ยวตรงกลางแล้วเหนี่ยวตอนต้นมาแน่วิธีที่ดีที่สุดก็คือหักประเด็นหมดเลยทั้งทั้งทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายนะตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาเอาเรื่องสวรรค์นรกมาพูด คือเป็นการเปรียบเทียบท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านอันชานีท่านไม่มีปัญหาในเรื่องสวรสดินโรกอะไรเลยท่านเข้าใจตลอดตลอดสายและท่านเทียบได้เลท่านเทียบได้ท่านก็เทียบมาโดยลําดับก็สรุปว่าระหว่างชีวิตในนรกกับสัตว์ดิเรชาชันยังไงยังไงมันกินสัตว์ดิเรกชันดีกว่าบางทีมันก็สง่ามันจะเล่นในสัตว์ดิเรกชันหมาบางทีมันนั่งรถราคาเป็นล้านอ่ะเก่งกับสัตว์นนรก ก, ก, ก็ก็สรุปว่าถ้าจะเทียบกันอย่างนั้นนะครก็เป็นสัตว์ดิเรกชันดีกว่า แต่สัตว์เดรัจฉานกับสุรกายซึ่งมันก็ดีกว่าสาัตว์เดรัจฉานแต่สุรกายกับเปรตในเปรตมันดีกว่านะครับเพราะเพราะเปรตบางชนิดเนี่ยมันมีวิมานอยู่เขาเรียกว่าเบ ม, มานี่กับเปรตมันความสุขความทุกข์มันสลับกันความสุขความทุกข์สลับกันแต่ถ้าเอาเปรตเหล่านี้มาเทียบกับมนุษย์เทียบกับมนุษย์นะฮะท่านไม่บอกเทียบกับคนเทียบกับมนุษย์ซึ่งหมายความว่าเป็นสัตว์โลกที่มีใจสูงแล้ว สามารถช้าเหตุผลได้แล้วแล้วก็แยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ได้แล้วเนี่ยก็เป็นมนุษย์ก็ต้องดีกว่าแต่ถ้าเอามนุษย์มาเทียบกับเทพซึ่งชั้นไปมันก็เป็นเทพก็ดีกว่าแต่เทพระหว่างเทพต่อเทพด้วยกันเนี่ยเทพที่สูงกว่าก็ดีกว่าไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงเอาเทพไปเทียบกับพรหมพร้มก็ต้องดีกว่าคือนี่ก็ขึ้นอยู่กับชั้นของการเทียบแต่ว่าท่านตัดสินใจได้ทั้งหมด ใจท่านกา็ไปปักอยู่ที่พรหมแต่ถ้าจะสอนในรูปของกรรมฐานให้เจริญสมาธิอะไรมันไม่ได้แร้วตอนเนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันแล้วมันไกลเกินไปต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วสิ่งที่ท่านท่านมีพื้นอยู่มากก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ี่ประการพรหมวิหารธรรมทั้ง4ี่ประการนอกจากจะเป็นมัชคือเป็นทางดําเนินเพื่อความเป็นพรหมแล้ว เป็นพรมในชาติต่อไปนะคือการพรมโดยอุบัติคือการบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็ยังทําให้คนเป็นพรหมในโลกนี้ด้วยพรหมในชาติปัจจุบันอย่างที่เคยกล่าวว่าหลักพระพุทธศาสนาระดับหนึ่งนั้นเอากันในโลกในจิตเนี่ยขึ้นกันอยู่ในจิตตวงเดียวตัวกระรอกกันกนที่จิตเป็นเปรตกันกที่จิตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์โดยสารกันที่จิตเป็นมนุษย์กันที่จิตเป็นสวรรค์กันที่จิตแล้วก็เป็นพรหมกันที่จิต คืออะไรก็คือความมีหรือความไม่มีธรรมะเช่นความมีฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานจิตแล้วก็กลายเป็นพรหมอ่เป็นเป็นเป็นเทวดามีพรหมิหารทั้งสี่เป็นพื้นฐานจิตก็เป็นพรหมเป็นพรหมกันที่จิตโดยอาศัยอัตภาพร่างกายธรรมดานี่แหละร่างกายมนุษย์ธรรมดาจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ไม่สำคัญ ลักษณะที่ท่านสอนนั้นก็สอนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสแสดงในกาลามาสูตรที่ได้พูดเมื่อวันก่อนคือสอนให้แผ่ไปในทิศทั้งหลายเป็นการสร้างความรู้สึกโดยอาศัยพื้นฐานของเมตตาปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกัน ให้มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตนอย่างที่เราสวดกันนะฮะสวดแผ่เมตตาสเปสตาเวาราปยาปชาเนี่ยก็เวลาสวดมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเวลาแผ่ยากเวลาสร้างความรู้สึกแผ่ไปมันยากบางทีเจอไอ้บ้านคนที่เราไม่ชอบหน้าก็เลยสายนั้นเดินไม่ได้เมตตาสายนั้นเดินไปไม่ได้ต้องหลบไปสายอีกที่มันกระจายไม่ออก แต่ว่าในชั้นที่ท่านต้องการให้แผ่ไปนั้นคือสร้างความรู้สึกที่จะเห็นคนและสัตว์เหล่านั้นอยู่อย่างไม่วิเวรไม่มีภัยเป็นต้นแต่เมตตาจะปรากฏจริงๆนะฮะปรากฏจริงๆแล้วตั้งมั่นอยู่ภายในจิตจริงๆริงจะต้องใไขจัดสิ่งที่เราเรียกว่าเปมะคือความรักราคะความกำหนัดซึ่งมันใกล้ใกล้ๆกันกล้เมตตา ดูคล้ายกัเมตตาแต่ไม่ใช่เมตตาตว่าค่าศึกโดยตรงจริงๆคือพยาบาทกล่าวมาฆ่าพยาบาทความโกรธความไม่พอใจผลที่ปรากฏภายในจิตต้องเย็นเย็นไปด้วยเมตตาทีนี้ในกรณีใดที่คนและสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้แต่เราก็ปรับจิตที่อยู่ที่อุเบกขา คือมันอยู่ที่ปฏิกิริยาที่ตีกลับอีกทีหนึ่งการสังเกตจิตว่ามันเป็นเมตตาหรือไม่เป็นเมตตามันก็ไม่แน่ก็คล้ายๆกับสังเกตตัวสมาธิกับตัวหลับก็ต้องแยกให้ออกว่าหลับหรือสมาธิเมตตานั้นต้องดูที่ตอนมันตีกลับอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าเราปรารถนาที่จะเห็นคนในสัตว์ยอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยดังกล่าวสมมติว่าสัตว์เกิดประสบเวรภัยข้า เราก็เปลี่ยนเป็นการุณาในชั้นแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นการุณาช่วยเหลือเรช่วยเหลือไม่ได้ทำไงสุดวิสัยหมดแล้วไม่ไม่ต้องร้องไห้เลยทีนี้ทำใจเป็นอุเบกขาพิจารณาเห็นกรรมว่าเป็นกรรมของเขาหยุดความคิดท่า น, นทำในขอขายที่ทำได้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็อยู่ที่อุเบกขาพิจารณาตามกฎของกรรมที่สวดกันนะฮะที่สวดกันเนี่ย เออสเปสตาเนีอาไปพิจารณาโดยเดียท่านเอาไมา้สวดบ่อยเพราะว่านั้นคือหลักของพรหมเป็นทางปฏิบัติที่จะให้เป็นพรหมในปัจจุบันแล้วก็เป็นปฏิปทาที่จะนําให้เป็นพรหมเวลาจะตายไปแล้วกรุณาก็คือความหวั่นใจที่มองเห็นคนหรือสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ความเดือดร้อน ในฐานะต่างๆกันก็แพร่ไปต้องการที่จะเห็นตอนนี้เราเห็นหรือไม่เห็นไม่ไม่สำคัญแต่เราปรารถนาว่าคือทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยต้องมีคนประสบความทุกข์อยู่ในแง่ของความจริงแล้วทุกคนนะ่ยก็เป็นทุกข์อยู่ทั้งนั้นนแต่ว่าระดับโพรมิหานแม้ก็ไม่ไม่ไม่เลยมองขนาดนั้นะขนาดนั้นเป็นเรื่องของพระอาหารหันต์ไปแล้วก็เรามองที่คนกำลังประสบความทุกข์อยู่จริงๆเลย เกิดทิว้วหวยทุกทรมานเจ็บปวดระไรงเนี่ยแล้วก็ขอต้องการที่จะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นซึ่การแผ่ไปอาจจะแผ่ไปโดยเริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนสร้างความรู้สึกในการเสริมฐานของใจให้หนักแน่นด้วยกรุณาแล้วก็แผ่ไปหน้าที่ของกรุณาที่กระจัดโดยตรงจริงคือกระจัดวิหิงสาด้ความเบียดเบียนแต่ตัวที่ ทำให้หลงว่าเป็นกรุณาอีตัวหนึ่งซึ่งท่านสอนให้คิดเอาไว้เสมอนะฮะคือความโศกเห็นว่าเวลาคนประสบความเดือดร้อนะอะร้ายแรเราช่วยเขาไม่ได้หรือว่าเรายัางไม่ทันได้ช่วยไปร้องไห้ไปเสียอกเสียใจนะอันนี้ไม่ใช่กรุณานะฮะเป็นความโศกเป็นความโศกเป็นทุกข์เป็นพวกปะกินอากาศทุกข์เป็นลูกศอนที่เสียแทงใจ ไม่เป็นทั้งธรรมะไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่พวกทุกขสัตว์ที่นี้ก็แผ่ไปด้วยเมตต์ดยมุทิตาต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายที่เขาอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วก็ ข, ขอให้อยู่ในฐานะนั้นๆรักษาสมบัติของเขาไว้ได้ไม่เสื่อมจากยศจากตำแหน่งที่เขามีอยู่ได้อยู่ในขณะนั้นๆเพื่ออะไรเพื่อกะจัดริษยาคือ การที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ออกไปแต่ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ใกล้ชิดถึงสังเกตเอาไว้ก็คือการต้องการมีส่วนร่วมในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้นเช่นว่าบางทีเพื่อนเราถูกหวยถูกสลากกินแบ่งหรือได้โบนัส <laughs> เพื่อนไปมุทิตากันจนจนข้าวไปถึงต้นทุนเลย ขอเลี้ยงนจนหมดต้นทุนตามไปด้วยอันนี้ไม่ใช่มุติตามันเป็นต้องการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่คนอื่นเขาได้คือเราอยากได้ผลประโยชน์เหล่านั้นแต่พอดีไม่ได้ไม่ได้เพื่อนได้ก็ขอร่วมด้วยก็ส่วนร่วมก็ดูคล้ายๆกับมุติตาแต่ไม่ใช่มุติตาเป็นอาการของโลภคือความโลภที่เกิดขึ้นตัวเองจริงๆนั้ปรารถนาทั้งทั้งหมดนะฮะปรารถนาทั้งหมดแต่เกิดไม่ได้ก็เกิดไม่ได้ก็ขอแบ่งหน่อยก็แล้วกัน ต่อไปก็คือแผ่ไปด้วยอุเบกขาซึ่งแปลว่าข้าวไปเพ่งดูโดยเหตุด้วยผลไม่ทําใจให้เสียใจ เ, เคยยินดีหรือยินร้ายคือหมายความว่าดีใจหรือเสียใจแม่ดีใจหรือเสียใจในเมื่อคนอื่นสัตว์อื่นประสบความพิบัติคือตามปกติคนเราถ้าหากว่าสัตว์สูประสบความพิบัติเราจะดีใจ แล้วก็มิตรของเราประสบความพิบัติเราจะเสียใจแต่ความพิบัติของบุคคลทั้งสองนั้นเป็นเรื่องของกรรมที่แต่ละคนกระทาไว้เขาต้องประสบความพิบัติเพราะกันที่คนเราไปแสดงความดีใจเมื่อสัตว์สู่ประสบความพิบัติก็ชื่อว่าไม่มีธรรมะไปแสดงความเสียใจเมื่อญาติมิตรของเราประสบความพิบัติมันก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในชั้นนี้ท่านก็สอนให้แผ่ สร้างความรู้สึกที่กรอบด้วยอุเบกขาประมิารทั้ง4ประการโดยเฉพาะเมตตากรุณาโมจิตาที่บุคคลแผ่ไปอุเบกขาเขาไปสูงนะครับเบกขาไปสูงมากที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วมีอานิสงส์ที่เราเห็นได้เช่นาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันไรเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาย่อมรักษา สัตจะอาวุธเครื่องประหารไฟเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายได้ก็ปิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วไม่หลงตายตายไปแล้วก็สองอย่างนะฮะคือถ้ามันเข้าเต็มที่ก็จะจงใช้คำว่าพรมโลกูปโคคือเข้าถึงพรมโลกไม่ได้เหมือนกันที่พูดเรื่องอนิสงส์อย่างอื่นอนิสงส์ทั่วไปอย่างอื่นจะใช้คาว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่พอถึงพรหมิหารไม่ไม่พูดอย่างนั้นพระพรหมิหารเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นโรงณ์ของกรรมฐานจะใช้คําว่าเข้าถึงพรหมโลกตนนันชานีเองก็ได้ไปอุบัติในพรหมโลกแต่ก็พระเจ้ารับสั่งนะฮะว่าพรหมโลกชั้นต่ําทําไมชั้นต่ําคือแสดงว่าท่านยังไม่ถึงชานน ะ, ะท่านท่านท่านไปยังไม่ถึงชาญแต่ว่าชาญถ้าระดับหยาบก็ต่ํานะฮะ พระตมไชานะดับหยาบก็เกิดในพรหมโลกชั้นต่ําแต่ตามของพรหมโลกนะตามของพรหมโลกนะมันก็สูงบัตรสวรรค์นะเปิร์ลแมนก็ขึ้นอยู่กับเทียบคือเทียบระหว่างพรหมโลกด้วยกันแต่นั้นเองคือเขาเป็นชั้นต่ำก็พรหมโลกถ้าชั้นต่ำก็พรหมบรมิษัทชะแต่ในบาลีไม่ได้บอกว่าชั้นไหนที่ชั้นต่ำจริงๆเขาก็เป็นพรหมบริษัทชัเป็นพรหมโลกชั้นบริษัทของพรหมก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะ ทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอะไรคืออาสัญนักกรรมอย่างที่เคยพูดนั่นเองท่าน ต, ตั้งหลายจะเห็นว่าพอท่านท่านอนานีพรมท่านอนชานีพรม า, าพรมท่านคุมจิตให้อยู่ด้วยพรหมิหารได้จิตมันก็พองเพ่าออไปโดยลำดับอะไรเป็นกรรมารมของแก่ก็คือพรหมิหารเป็นกรรมารมของแก่ กรมนิมิตารมก็เป็นพรหมวิหารคติบางก็เป็นพรหมโลกว่าไปเรียบร้อยก็ตลอดแถของเขาแต่เป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งปตาตรมเทศนาข้อนี้แสดงอะไรให้เห็นอย่างหนึ่งฮะท่านท่านทั้งหลายสังเกตว่าแสดงทิพปยปสุขของพระพุทธเจ้าคือบ้านของท น, นชานีพราหมณนะ์น่ยอยู่อีกฝากอีกด้านหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่าตันดุลทวาน อยู่ที่ในเมืองราชเจ้าคืดนะฮะแต่อยู่ด้านอีกด้านภาษาดีบุตรกพระพุทธเจ้าอยู่คนละทิศแต่พระพุทธเจ้านั่งรายงานข่าวให้ภาษารีบุตรให้ภิกษุตั้งหลายฟังเรื่องเรื่องที่ภาษารีบุตรทำนี้ถ้าปัจจุบันก็คือเอวอกกี้ทอกกี้นะฮะแต่พระพุทธเจ้านั้นก็มีก็เรียกว่ามีที่ประจักษสุมีที่ประจักษ์สุที่รู้ตลอดภาษารีบุตรทําอะไรก็นั่งเล่าให้ภิกษุฟังอย่ที่พระเจ้าอวัน ล่าภิกษุฟังแล้วจนพรามณ์ไปถึงพรหมโลกพระพุทธเจ้าก็รับสั่งไปก่อนแล้วนะฮะก่อนที่ภาษาดิบุตรจะกลับไปรับสั่งก่อนบอกคือหมายความภาษาดิบุตรทำอย่างไงในพระเจ้ารายงานให้ภิกษุทราบตลอดบอกให้ภิกษุทราบตลอดนี่คืออํานาจพิเศษนะไม่ใช่โทรทัศน์วงจรปิดวงจรเปิดอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของพระญานที่ทรงรู้เห็นในลักษณะอย่างนี้ แต่บางครังบางคราวก็ยังภาษาดีพระโมคคัลลานะเคยอยู่ที่ประเวรุวันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเชตวันแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องผ่านๆ น, นะฮะเราเองเราไม่ค่อยออกมาพูดมาเปิดเผยอะไรกันเป็นเรื่องผ่านๆก็อ่านผ่านๆไปก็ถือว่าเป็นเป็นพุทธวิสัยของท่านที่ท่านทํากันท่านได้พระโมคคัลลานะท่านกราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบนี่ก็ถามไปก็ตอบไปโดยอยู่กันคนละเมืองมาถามกันได้ นี่คือการดึงเอาพวกอิทธิปาฏิหาริย์นะครับมาใช้ข้ามาใช้ในการทางานแต่ให้สังเกตว่าท่านทำอยู่ในวงของพระด้วยกันคนที่นั่งฟังเนี่ยก็เป็นพระไม่มีปัญหาภาษาอิบุร์ท่าก็เป็นพระหรันทุกรูปจึงไม่มีไม่มีใครมีปัญหาอะไรก็พูดกันได้ตลอดพูดกันได้ตลอดก็เล่าให้ฟังได้แล้วก็ยางเรื่องที่ ของธรรมอิกะอุบาสุกที่อาบาเคยพูดให้ฟังเมื่ก่อนในเรื่องกรรมยกตัวอย่างฟังก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันว่าในขณะที่พระกําลังสวดอยู่เนี่ยสวดสติปัฏฐานในสุดตันวาโส ก, กเพลินกับทิพย์มานซึ่งเป็นคตินิมิตอารมณ์ของแกคืออารมณ์ที่คติที่เป็นอารมณ์ของแกซึ่งแกจะไปบังเกิดก่อนที่จะดับพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ประเจ้าตวันน่นนะ แต่ก็ทรงรู้ตลอดดูตลอดว่ามีอะไรเป็นยังไงพอภิกษุไปถึงพอกราบถูหลวพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังตามที่เหตุการณ์ทั้งปรากฏขึ้นแล้วก็แม้แต่เรื่องความคิดจิตใจของท่านทาให้กะอุบาสกในขณะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าสามอย่างฮนะปาฏิหาริย์ประเภทนี้ไม่ค่อยใช่ปกติ ไม่เคยใช้เรียกว่าอิทิปาทิหารคือเป็นความสําเร็จที่อจจจัศจรรย์พิเศษแปลกออกไปกว่าสามัญช น, น, น, นแต่ท่านจะทํากันในแวดวงของท่านเองอย่างพวกอาจารย์กรรมฐานยังไงไรที่ท่านเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นนั่งกรรมฐานในที่อะไรน้าตกสาริกานางรองอะไรนครนายกอะ เจ้าคุณบาลีกำลังคิดปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่วัดพระวัดวั ด, ว ด, ว ด, ว ด, วดนี้บรมนิวาสอาจารย์มั่ท่านกำหนดรู้มาจากนั่นเมื่อดูอาจารย์ทำอะไรก็เห็นกำลังคิดมันคิดอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นกระดับของท่านนะคือวิสัยของท่านซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คนที่มีบารมีประพฤติปฏิบัติไ ป, ป, ปก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมรับวันนี้คือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นชาณวิสัยวิสัยของชาติที่ท่านซึ่งมีค น, นสมบัตินั้นท่านทำได้ประวัติของท่านัญชานีพรามที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าชีวิตของคนเราในการศึกษาการปฏิบัติธรรมะคือควรจะเจริญขึ้นก็มีภูมิต้านทานสูงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ถึงก็ถูกฉุดลากไปสู่อำนาจทรวิสัยของคนผ่านแม้จะไปอยู่ในแวดวงของคนผ่านก็ตามคือมีกำลังพอที่จะดึงคนผ่านให้เป็นบัณฑิต มีปัญหาที่อะไรที่พ่อเขาไปสอนลูกบอกว่าลูก่ะคบคนณพานอ้างพาสิทธิ์ไ ป, ปคบคนณพานพานจะพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลลูกก็ไม่สงสัยแล้วแต่แกสงสัยว่าถ้าคนพานกับบัณฑิตมาพบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่า ตรงนี้มันอยู่กันว่าใครเป็นมากกว่ากันใครเป็นมากกว่ากันคือพานในจอมพานในจอมบัณฑิตถ้าจอมพานกับจอมบัณฑิตมาเจอกันเนี่ยฮะจอมพานต้องแพ้จอมบัณฑิตเราดูเราดูตัวตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นจอมบัณฑิตได้จอมพานทั้งหลายว่าโจรองค์คริมานอะไรอะไรที่วุ้นวายเยอะแยะไปหมดเลยเขไปจอมพานฮะแล้วมาเจอกับพระพุทธเจ้าถ้าจอมด้วยกันแล้วต้องแพ้บัณฑิต เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนพานจะไม่มีเหตุผลในการต่อสู้ในการที่จะโต้แย้งกันแต่ถ้าในระดับที่สัดส่วนไม่ค่อยเท่ากันนะก็ไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกบางทีคนรอรักษาเนื้อรักษาตัวมันดีตั้งนานแล้วนะฮะเอามาตกม้าตายเนี่ยก่อนจะถึงไข้นี้เองเพราะอะไรเพราะว่า ความเป็นบัณฑิตนั้นยังไม่มั่นคงยังบอกแวกยังงอนแงนยังคลอนแคลนยังไปเปลี่ยนแปลงได้กิตนีจิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วคือไม่มีอะไรวางใจได้ในชีวิตของเราเนี้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่แข็งแรงจริงๆและโอกาสที่จะเปลี่ยนเปลี่ยงง่ายอย่าคิดว่าพอแล้วดีแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วอะไรอะไรเนี่ยยังมีแม้แต่พระเราบางองค์เนี่ยพอสอบ ได้ปรียนแล้วก็มองเพ้อดเพลินอยู่กับประกาศทนิยบัตนะไม่ยอมอ่านหนังสือธรรมะนะไม่ยอมฟังธรรมะไม่ยอมอะไรแล้วเก่งแล้วฮะมันเก่งไม่จริงหรอฮะอย่างเงี้นนะมันเก่งอยู่ไม่ได้ต่ว่าหนังสือที่เราไม่อ่านเนี่ยมันก็มีเห ม, มือมนก็ไม่มีวิชาความรู้ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการทบทวนมีการอ่านอยู่เสมอมีการคิดอยู่เสมอก็พยายามคิดธรรมะให้มากอนาตะกี้นี่ คนก็ฟังรายการทาวัรยายในพันเอกชินวุฒิสุนทรศีมะเขาฟังแล้วก็ปรากฏว่ารายการมาเกิดดับหายไปที่ว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งไปถามหลวงปู่แหวนเรื่อง จ, จิตใจแต่ตอนนี้ว่าที่จริงอาตมา ก, ก็รักไก่นิดหน่อยคือไม่มีเวลาพูดเลยตอนนี้งานมากเลยเทพเก่าไปออกเลอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดถึงม้วนไหนกันแลก็ก็ถามว่า จิตใจของเขานั้นไม่มีความสงบ ม, มานั่งสมาธิแล้วไม่มีความสงบเนี่ยเขาจะทํำยังไงแล้วตอนหลวงปู่แหวนตอบแต่มันหายไปหลวงปู่ท่านตอบ่าหลวงปู่ก็เป็นอย่างนั้นมาเพิ่งนึกออกฮะตอนตอนก็กลับไปแล้วเพิ่งนึกออกมันเรื่องพูดนานท่านกันะหลวงปู่ท่านก็ตอบบะหลวงปู่เองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนหลวงปู่เพิ่งทําได้ดีไม่กี่ปีนี้เองอะ คือสู้กับจิตมาตั้งนานตั้งหลายสิปีนะฮลุงปู่ท่านตออไรแล้วทุนเก้าสิบบาแล้วมั้งตัก็สู้กับจิตมาตั้งนานนะฮะตั้งก็เพิ่งตั้งหลักได้ไม่กี่ปีคืออย่าไปคิดว่าเราทำอะไรไปสักระยะหนึ่งพอไม่ได้แล้วจะเลิกละไปไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องทำกันไปเรื่อยๆจนจนถึงความมั่นใจ แต่อย่าลืมใ น, นแง่ของสังสารวัฏเรายังมั่นใจอะไรไม่ได้อย่างที่เคยบอกว่าแม้แต่ชานมันก็เสื่อมได้ธรรมะมันมีอยู่สองฝ่ายเขาเรียกว่ากุปปธรรมกับอกุปปธรรมคือกำเริบได้กับกำเริบไม่ได้สาปใดที่มันยังกำเริบได้สาปนั้นอย่าถึงความนอนใจเมือนก็โรคภัยไข้เจ็บนะฮะเราจะเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งเป็นอะไรเป็นอะไรก็ตามเราคิดว่ามันหายไปแล้วเราถึงความวางใจไม่ได้ ศึกษาอะไรตระไรไม่ได้ติดตามไม่ได้ตรวจสอบโอกาสที่โรคมันจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งสองครั้งสก็เกิดขึ้นได้เรื่องกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจก็เหมือนกันถ้าตรับใจที่ยังไม่ถึงฝั่งของพระนิพพานรับนั้นยังประมาทไม่ได้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีได้ง่ายตัวอย่างของธนัญชานีนั้นเป็นตัวอย่างชิดดีแล้วสะท้อนให้เห็นว่าท่านที่ยิงพื้นจริงๆท่านเก่งมากเลยนะ เก่งมากท่านมองอะไรได้ทะลุโปร่ปงเลยภาษาดิบุตรไม่ได้เท่นะลองสังเกต่าตลอดสายนี้ไม่ได้เทศนเลเสนอให้ตอบเท่านั้นเองเสนอให้ตอบให้คิดแล้วท่านตอบได้ท่านคิดได้ท่านแยกได้ท่านเลือกได้เป็นบัณฑิตขนาดนี้นะฮะยังเป๋ไปเพราะปัญญาใหม่เพียงคนเดียวท่านเด่งก็หักทิศทางออกไปได้เพราะอะไรเพราะท่านขาดกาลยาณมิตรขาดการยาณมิศนี่ทําให้ เปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีหรือจากไม่ดีให้ไม่ดีมากขึ้นได้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องสรรเสริญว่ากัลยาณมิตรเป็นตัวของประพฤติพรหมจรรย์คือเป็นตัวร พ, พรหมจรรย์เป็นตัวของการประพฤติปฏิบัติดีทีเดียวแต่ในความหมายของพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงแสดงหมายทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นธรรมะนะฮะหมายทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นธรรมะ คือเป็นคนก็กัญยาณมิตรก็คือคนที่มีอุปการะแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีความรักใคร่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนี่ก็คือการตัดสินกัญยาณมิตรมาถ้าใครที่แนะนําพูดจาในเรื่องที่เป็นประโยชน์แสดงความรักความประรานดีต่อเรามีความอุปการะต่อเราแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกันทั้งสุขและทุกข์ก็นั่นก็คือกัลยาณมิตรซึ่ง คุณธรรมทั้ง4ประการนี้มันก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นตามลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าในระดับใดก็ตามคนประเภทนี้คือกัลยาณมิตรที่จะอำนวยประโยชน์เกื้อ ก, กูลแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องขา้าพาสมาคมด้วยตลอดไปวันนี้ก็ขอุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้และขออนโมทนาสาธารกิจแก่ท่านทั้งหลายทุกท่าน